ปีนี้ก็มีสองครั้งเล่เนี่ยนะมีครั้งหนึ่งกับอำเภอบ้านผือก็ไม่แพ้กันขราวนี้ข่าวนี้กับบ้านผือขราวที่แล้วคงไม่แพ้กันแต่ขราวนั้นก็ล้นสลาเหมือนกันนะขนาดนี้แหลนะเนี่ย <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสามอาทิตย์ที่สิบสามกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็น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 ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ได้ยินได้ฟังมาเนี้ยอันนี้เราก็มาทบทวนมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอีกนีว่าจินตามะยปัญญาภาวนามยปัญญาทาจิตใจให้สงบเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วท่านสอนว่าให้ทำจิตใจให้สงบเราก็พยายามทำจิตใจให้สงบ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 แต่ว่าท่านเปรียบเปย๋ยเอาไว้ว่ากลึงพุทธการเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นสัมเาณีสอ0นเมื่อบวชเป็นสัมมาณีอยู่8ปีจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พอครบพระปี08นยหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นเป็นพระปี08นเป็นเนน2 5 0 5นเป็นพระบวชปี08ปีนี้เป็นปี58 เป็นอันว่าหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพุทธศาสนาพระทั้งหมด50าสิบปีเป็นสัมมาเด่อีก8ปปี58แปีแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้อายุ70ป่าเข้า71็ดอนะเจอยย่างเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจึงว่าหลวงพ่อมอบชีวิตไว้ในพุทธศาสนายาวนานพอสมควรศึกษาเรื่องพุทธศาสนา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 ฉิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่ฟัน้นสมัยท่้นยังมีชีวิตอยู่จากนั้นก็หลวงปู่สมัยหลวงปูสงป่สุพัฒน์หลวงปู่สิงห์ทองแล้วก็ขึ้นมาทางหลวงปู่ขาวหลวงปู่น้องแสงหลวงปู่ปัวหลวงแสงหลวงปู่อ่อนจากนั้นก็เข้าประจำพรรษาปี2512ัที่วัดป่าบ้านตาจากนั้นก็ออก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 และองค์หลวงตาเองท่านก็ามาที่วัดป่านาคําน้อยของเราโดยสม่ําเสมออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อได้ศึกษาแนวธรรมะปฏิ ป, ป, ฏ ป, ป, ฏปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารยา์จากองค์หลวงปู่ล่าและจากองค์หลวงตามหาบวัว เ, เป็นส่วนหลักทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมั่นใจว่าการแนะนําบอกกล่าวของหลวงพ่อให้กับคณะทศไทยญาติโยม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 เกณฑ์กฎระเบียบแต่ก็พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเป็นธรรมที่ร่มเย็นเป็นสุขที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วก็ได้กานกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะหลวงพ่อก็ได้นำมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายผู้บาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรสําหรับศรัทธาญาติโยมท่านก็ให้มีทานเนาะให้มีทาน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 ปุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติทนหลังได้ถ้าพระพุทธองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะระลึกชาติทนหลังได้อย่างไงเหมือนเราเกิดมาวันนี้ไม่มีเมื่อวานใช่ไหอไม่มีเมื่อวานแล้วเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราก็คงจะระลึกถึงเมื่อวานไม่ได้วันก่อนไม่ได้อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาวันนี้วันเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าตรันว um ่าป yeah, mm. ุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติทนหลังได้ <misin>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 มาจากไหนมาเกิดมาทําไมคนไม่เหมือนกันความเฉลียวฉลาดความล่ําความรวยความสวยความงามการพิกงพิการเจ็บไข้ได้ป่วยทาไมไม่เหมือนกันพระองค์บอกว่ากรรมกรรมจําแนกให้สัพรพสัตทั้งหลายเพราะฉะนั้นกรรมคํานี้แหละกรรมคือการกระทําการทำทำการทำกรำกรมทําทได้สามทางมนโนกรรมคือคิดทางใจกายกรรมคือการกระทําว่าทางกาย